วันนี้เป็นวันพุทธที่26สกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันพระนี้ถือว่าเป็นวันประเสริฐ เพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐวันพระจึงเป็นวันประเสริฐแต่ความประเสริฐของวันพระไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารหรือวันพุธหรือวันขึ้นแรมสิบห้าค่หรือสิบสี่ค่ำความประเสริฐของวันพระอยู่ที่การกระทา ที่ประเสริฐการกระทำที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือการกระทำให้ใจของพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเพราะใจของพวกเรานี้สามารถยกระดับให้สูงขึ้นก็ได้ให้ต่ำลงก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในแต่ละวัน การกระทาที่ทำให้ใจของเราสูงขึ้นเราก็เรียกว่าบุญการกระทาที่ทาให้ใจเราลงต่ำเราก็เรียกว่าบาปถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะลงต่ำจากมนุษย์เราก็จะเริ่มกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นนสุลกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นนสุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมก็จะเป็นนรกนี่คือการกระทำให้ใจเราลงต่าลงต่าด้วยการกระทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการให้ใจเราสูงขึ้นให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นพระเช่นถ้าเราต้องการให้เป็นพระเทพ เราก็ต้องทำบุญทำทานรักษาสีลห้าคือไม่กระทำบาปล้วก็รักษาล้วก็กระทำบุญด้วยวิธีการต่างๆทำบุญให้ทานจะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้คือการให้ให้ผู้่นได้รับประโยชน์สุขจากการเสียสละแบ่งปันของเราถ้าเราสามารถทำบุญอย่างสม่าเสมอ น้าบุญที่เราทำนี้มากกว่าบาปที่เราทำใจของเราก็จะขึ้นจากเป็นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นพระเทพขึ้นมาถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นคือไปเป็นพระพรหมเราว่าสามารถที่จะทำได้ด้วยการเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นคือให้รักษาศีลเพิ่มจากศีลห้าให้เป็นศีลแปด แล้วก็ให้บำเพ็ญสมถภาวนาคือการจเจริญสตินั่งสมาธิให้ใจเข้าสู่ความสงบของฌานในระดับต่างๆใจก็จะขึ้นไปเป็นพระ<ม>พรหมพระรูปประพมหรือพระอรูปประภมถ้าได้รูปฌปานก็จะได้เป็นพระรูปประภม ถ้าได้อารูปปชาญก็จะได้เป็นพระอารูปประพรมแล้วเหนือกว่าพระพรหมก็ยังมีอีกเรียกว่าพระอริยะเจ้าหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิธธดาคามีอนาคามีและพระอรหันต์เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติเพิ่ม อ, อีกขั้นหนึ่ง ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่และใจลับในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าสามารถปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ใจก็จะเข้าถึงระดับพระอริยเจ้าเข้าสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือ เป็นเหมือนเมนูของของจิตใจที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้จิตใจของเราเป็นอย่างไรงจะให้ลงต่ำก็ได้จะให้ขึ้นสูงก็ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หนึ่งคือความศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ เป็นความจริงเป็นสวากขาโตพระวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความจริงทุกประการทมบาป ก, ก็จะต้องไปอบายทมบุญก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆตามกํากลังของบุญที่ได้ทำเอาไว้ต้องเชื่อความจริงเหล่านี้ว่าเป็นความจริง พอเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้มีฉันทาวิริยะขึ้นมามีความยินดีมีความพอใจที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลำดับเพราะการเจริญจะช้าหรือเร็วจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเพียรเป็นหลักถ้าไม่มีความเพียรถึงแม้จะมีความยินดีมีความปรารถนาความยินดีความปรารถนาและความเชื่อก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจได้จะต้องมีความเพียรพยายามพยายามเพียรสร้างบุญ อยู่เรื่อยๆพยายามเพียรละบาปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบาปนี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราลงต่ำให้ใจของเราลงต่ำซึ่งเราไม่ต้องการจะให้ใจของเราไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนศรกายไปนร ก, ก, น ก, กเราก็ต้องเพียรพยายามละบาปอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพียรพยายาม สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับเทพแล้วถ้าเราอยากที่จะขึ้นสูงกว่าระดับเทพเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปด้วยการ บำเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นเครื่องซักพอกใจนี่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถซักพอกใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้กลายเป็นพระพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระนิพพานได้นอกจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้จึงเปรียบเหมือนกับเป็นเครื่องซักเสื้อผ้า ที่สมัยนี้เรานิยมใช้กันเราใช้เสื้อผ้ามาแล้วเสื้อผ้าเราก็จะสกระปรกเราก็ต้องมีการซักชำระสิ่งสกรปรกออกจากเสื้อผ้าเราก็เลยไปซื้อเครื่องซักผ้ามากันพอมีเครื่องซักผ้าเราก็เพียงแต่เอาผ้าใส่เข้าไปในเครื่องใส่น้ํายาซับฟอกต่างๆเข้าไป แล้วเครื่องซักพ้าก็จะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาไม่นานเสื้อผ้าที่ได้รับการซักพาาก็จะสะอาดบริสุทธิ์เอากลับมามาสวมใส่ได้ใหม่เป็นเหมือนของใหม่จิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของเราในชีวิตของเราแต่ละวันมักจะถูกสิ่ง โกกโกเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจนี้เองที่จะเข้ามาทําให้จิตใจของเรามีความรู้สึกเศร้าหมองมีความรู้สึกไม่สบายไม่มีความสุข มีแต่ความรู้สึกทุกข์ยากลำบากด้วยความวิตกกังวลด้วยความเครียดด้วยความกลัวด้วยความเศร้าหมองต่างๆเ mm hmm. พราะว่าไม่ได้รับการซักพอกด้วยเครื่องซักพอกจิตใจคือการบําเพ็ญจิตตภาวนาเราถ้าอยากจะให้ใจของเราสะอาดบริสุท ที่จะทำให้ใจเราปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆเราก็ต้องศึกษาวิธีการบาเพ็ญจิตตภาวนาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นจิตตภาวนาได้เราก็ต้องเริ่มจากขั้นต่ำขึ้นไปก่อนตามแบบเหมือ น, นขั้นบันได<ม>ขั้นแรกเราก็ต้องมาละการกระทาบาป ท, ทั้งหลายให้ได้ก่อน และเครื่องที่สนับสนุนการทำบาปก็คืออบายามุขต่างๆการที่เราจะสามารถละการกระทำบาปได้เราก็ต้องมีการสมาทานศีลห้าศีลห้านี้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ใจไปกระทำบาปต่างๆ และไม่ให้ไปเสพอบายามุกต่างๆเพราะอาวัยอบายามุกนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้จิตทํำบาปได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้เสพอบายามุกการจะทํำบาปนี้จะยากขึ้นยากกว่าการที่เสพอบายามุกดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้อง พายามเลิกละให้ได้ก็คือการเสพอบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุกนี้ก็มีอยู่ห้าด้วยกันคําว่าอบา ย, ยมุกก็แปลว่าทางเข้าสู่อบายนั่นเองอบา ย, ยมุกมุกแปลว่าทางเข้าออกอบายก็คือสภาพจิตใจที่ต่ํากว่าของการเป็นมนุษย์คือ เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นรศร u l กายเป็นน ร, รา ก, า น, น, กนี่เรียกว่าอาบายอาบายสี่สถานและเหตุที่จะดึงให้ใจไปสู่อาบายยมุกไปสู่อาบายได้ง่ายก็คืออาบายยมุกเพราะว่าการเสดอาบายยมุกนี้ก็เหมือนเป็นการดึงเอาใจไปยืนอยู่ที่ปากประตูของอาบายนั่นเองเมื่ออยู่ใกล้ปากประตูจะเข้าออกอาบายมันก็เลยจะง่าย ง่ายกว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลจากประตูเข้าออกอบาย mm hmm. ถ้าไม่อยากจะให้การไปอบายนี้มันง่าย mm hmm. เราก็ต้องละเว้นการเสพอบายมุกท mm hmm. ี่มีอยู่ห้าชนิดด้วยกัน mm hmm. คือหนึ่ง mm hmm. การไม่ดื่มสุรายาเมา mm hmm. การดื่มสุรายาเมาเป็นอบายมุกชนิดหนึ่ง mm hmm. สองการเล่นการพ น, นัน 3. การเที่ยวกลางคืนสการครบส่ความเกลียดคร้านและห้าการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นเป็นมิตรนี่คือการกระทําที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเราไปเสพอบายามุขแล้วมันจะทำให้จิตใจเหล่านี้ต้อง ดิ้นนเพื่อที่จะให้ใจของเรานั้นมีความสุขเราก็จะต้องไปหาเงินทองโดยมิชอบมาสนับสนุนการหาความสุขจากการเสพอบายามุขเพราะการเสพ บ, บายามุขนี้เป็นเหมือนเสพยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดแล้วมันไม่มีรายได้จากการเสพ บ, บายามุขมีแต่การดูดซับ สมบัติเงินทองที่มีอยู่ให้ค่อยๆหมดไปเวลาเงินทองไม่พอใช้แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะไปทำมาหากินก็จะใช้วิธีทำมาหากินโดยการกระทำบาปเช่นเป็นการลักทรัพย์การช่อโกงการหลอกลวงผู้อื่นเป็นต้นดังนั้นไม่ควรที่จะไปเสพอบายามุข และอบายมุขชนิดหนึ่งก็คือสุลานี้ก็เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้ไม่มีสติไม่สามารถมีสติคอยควบคุมใจเวลาคิดที่จะพูดหรือจะทําบาปก็จะสามารถพูดหรือทำบาปได้อย่างง่ายดายต่างกับคนที่มีสติคนที่ไม่ได้เสพสุรายาเมาไม่มึนเมาเวลาคิด ที่จะพูดหรือจะทำอะไรที่ไม่ดีก็จะรู้จักยับยัง้งสามารถยับยั้งได้แต่คนที่ดือดร้อจนเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถที่จะควบกลุ่มการพูดการกระทาของตนให้อยู่ในกรอบของความดีงามได้คนที่มึนเมาแล้วมักจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น วาจาก็จะหยาบคายถ้าไม่หรือไม่เช่นั้นก็ไปทะเละวิวาทกับคนนั้นกับคนนี้แล้วก็อาจจะไปถึงขั้นทุบตีทำร้ายร่างกายของกันหรือถ้าเป็นคนที่ขับรถเวลาดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาแล้วยังไปขับกีฬายานยนต์อยู่โอกาสที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้มีการเสียชีวิตเสียทรัพย์สิน ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายจึงไม่ควรที่จะดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมานี้เสียประโยชน์หลายอย่างหนึ่งก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอาเวลามีค่าไปทําสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับตนเองเสียเงินแล้วก็เสียเวลาแล้วก็เสียสภาพจิตใจ ไม่สามารถรักษาสภาพจิตใจให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วก็ยังมาเสียสุขภาพทางร่างกายดื่มสุรามากๆก็จะทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาการเสียชีวิตเร็วกับปกตินี่คือโทษของการดื่มสุรายามเมาที่จะไปทำให้ ไปทําบาปได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เดิมสุลาแล้วก็จะทําให้การทําบาปนี้ยากขึ้นการทําบาปนี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สาการประพฤติผิดในการและสี่การพูดปดโกหกหลอกลวง การกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะดึงใจให้เข้าไปสู่อาบายส่วนการเสพสุรายามาและอาบายามุกนี้เป็นการสนับสนุนผลักดันให้ไปสู่อาบายได้ง่ายขึ้นดันั้นเบื้องต้นต้องละอาบายามุกทั้งห้าให้ได้ก่อนละการดื่มสุรายาเมาละการเล่นการพนันเพราะการเล่นการพนันนี้ ส่วนใหญ่มักจะต้องสูญเสียขาดทุนมากกว่าได้กำไรเพราะเวลาเล่นถ้าได้กำไรก็โลภอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกก็จะเล่นเพิ่มต่อไปแล้วพอสูญเสียก็อยากจะได้เงินคืนก็เล่นต่อไปเล่นไปเล่นมาทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะหมดไปแล้วก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่เช่นข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในบ้าน ขายทรัพย์สินขายข้าวของแล้วขายบ้านขายที่ดินขายหมดเพื่อที่จะเอามาเล่นหรือเอามาใช้นี่พนันต่อไปเพราะว่าเวลาที่โจรขึ้นบ้านนี้มันไม่ร้ายกาดเท่ากับการพนันโ mm hmm. จรขึ้นบ้านโจรก็เอาเพียงแต่ข้าวของไปเท่านั้นเองไม่สามารถเอาบ้านเอาที่ดินติดตัวไปได้ mm hmm. ไฟไหม้บ้านก็ร้ายกาดกว่าขโมย แต่ก็ซุ่ไม่ร้าเท่ากับการเล่นการพนันเพราะว่าไฟไหม้ก็ไม่ได้แต่เข้าของกับบ้านไปแต่ที่ดินก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นการเล่นการพนันนี้มันเอาไปหมดเลยเอาทั้งทรัพย์สินเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ดินไปหมดจึงต้องควรที่หลีกเลี่ยงการเล่นการพนันมันอาจจะ เป็นเรื่องที่คิดว่าเราอาจจะชนะเราอาจจะกำไรซึ่งมันก็มีแพ้มีกำไรแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็ในที่สุดมันก็ต้องขาดทุนเพราะมีข่าวขาวเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆไม่มีใครร่มรวยด้วยการเล่นการพนันมีแต่คนน่มจมจากการเล่นการพนันเล่นการพนันแล้วก็ไปติดหนี้พนัน ก็ต้องไปทำบาปด้วยการช่อกงหลอกลวงรักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นและบางทีก็ต้องไปป้นไปจี้ตามร้านทองต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเงินไปใช้หนี้การพนันอ น, นี่คือบาญามุก ข, ข้อที่สองคือการเล่นการพนันเป็นอันตรายต่อจิตใจ เพาะมันจะฉุดให้จิตใจไปทําบาปแล้วการทําบาปก็จะฉุดให้จิตใจลงต่ําไปสู่บายข้อที่สามก็คือการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนก็เป็นการเที่ยวเพื่อหาความสุขจากการมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่เป็นเหมือนยาเสพติดดีๆนี่ถ้าเที่ยวแล้วก็จะติดก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆก็อาจจะทําให้ไม่ ไม่ไปทํางานทําการเพราะบางทีเที่ยวดึกตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาก็อาจจะเกิดอาการปวดศรีรษะจากการดื่มสุรายาเมลอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้เสียงานเสียการถ้าขาดงานบ่อยๆต่อไปก็อาจจะตกงานได้รายได้ก็จะไม่มีมีแต่รายจ่ายเพราะการเที่ยวนี้มีแต่ค่าใช้ใจ่ายถ้าเที่ยวบ่อยๆแล้วตกงาน ต่อไปเงินทองที่มีเก็บเอาไว้ก็จะไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบมา น, นี่ก็คืออบายามุขข้อที่3การเที่ยวกลางคืนข้อที่สี่คือความเกียดคร้านไม่ชอบไปทำงานชอบเที่ยวชอบเล่นอย่างนี้ก็ไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายแล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหามาโดยวิธี ทำบาปต่างๆแล้วข้อที่ห้าคือการไม่คบคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรากับเขาเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเที่ยวกังคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกังคืน เขาชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านถ้าเจอคนแบบนี้อย่าไปคบโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เราจะต้องร่มจมไปกับเขาต่อไปนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามเด็กเรี่ยงอย่าไปเสพอบายามุขถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีพิษมีภัยเป็นเหมือนอยาเสพติดเสพแล้วมันจะติด แล้วเวลาไม่ได้เสกแล้วมันจะทรมานและจะต้องทาจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้มีเงินมีทางมาเสกดังนั้นถ้าเราละเว้นการเสกบายมุกได้การจะทำบาปก็จะยากขึ้นคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดโกหกหลอกลวงการประพฤติผิดในกลาม ก็จะยากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเราอยากจะทำให้เราไม่ไม่ทำเลยเราก็ต้องมีฮิริโอตตปะการมีฮิริโอตตปะก็คือมีความละอายต่อการกระทำบาปฮิริแปลว่าความละอายโอตตปะแปลว่าความกลัวกลัวผลของการกระทำบาปที่จะตามมาฮิริก็คือเรารู้ว่า คนในสังคมนี้เขารังเกียจคนที่ทําบาปไม่มีใครชอบคบกคบคบคบ้คาสมาคมกับคนทําบาปเพราะคนทําบาปนี้เป็นคนที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปทําร้ายผู้อื่นเมื่อไหร่เวลาใดถ้าเขาเกิดมีความรู้แก่โทสะโมหะโลภะเขาก็อาจจะทําบาปได้อย่างง่ายดายอาจจะฆ่าคน อาจจะลักทรัพย์อาจจะพูดผิดในการอาจจะพูดโวโกหกหลอกลวงได้คนที่ทำบาปจึงเป็นคนที่ไม่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนที่น่ารังเกียจเราต้องมีความอายในการกระทาบาปเพราะเราไม่อยากให้คนเขาตาหนิไม่อยากให้คนเขารังเกียจเราเราอยากจะให้คนอื่นเขารักเขารบชื่นชมในตัวเรา เราก็ต้องมีความอายต่อการกระทำบาปไม่กล้ากระทำบาปแลวเราก็จะได้เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่น่ า, นาเชื่อถือน่าคบค้าสมาคมด้วยข้อหนึ่งคือฮหลิต้องมีความละอายในการกระทำบาปไม่กล้าแล้วก็ไม่กล้าทำบาปกลัวบาปกลัวผลของการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปก็อย่างที่พูดไว้ก็มีอบายเป็นสถานที่รองรับต่อไป ถ้าตายไปแล้วแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องรับโทษก็ได้ในในบางครั้งบางเวลาคือต้องไปติดคุกติดตารางถ้าถูกจับไปลงโทษได้แล้วก็จิตใจก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายเวลาทําบาปแต่ละครั้งนี้ใจจะทุกข์จะร้อนจะวิตกจะกังวลจะหวาดกลัว ต่อการกระทำบาปของตนถ้าเรามีฮิริโอตปะการจะทำบาปก็จะยิ่งยากขึ้นไปใหญ่นี่คือขั้นตอนของการที่เราจะป้องกันไม่ให้ใจของเราตกตำ่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าเราไม่มีการยับยั้งการกระทำบาป ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้แต่ใจของเรานี้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ได้อาจจะเป็นเบลฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างก็ได้จึงต้องพยายามป้องกันไม่ให้ใจเราตกตำ่ำด้วยการรักษาศีลห้าด้วยการละเว้นการเสพอบายามุขด้วยการมีฮิิโอตปะ ให้ลาเลึกถึงความไม่ไม่น่าดูน่าชนของการกระทำบาปแล้วก็ให้ให้เราลึกถึงผลของบาปที่จะตามตามมาต่อไปเราอาจจะไม่ถูกจับไปติดคุกกิตรารังในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะผลของบาปแบบนี้มันไม่แน่นอนบางทีเจ้าหน้าที่เขาตามจับไม่ทันก็ได้ หรือบางทีเขาตามจับทันก็ยังมีอิทธิพลอย่างอื่นมาป้องกันไม่ให้ไปติดคุ ก, กติดตารางได้แต่การไปรับผลในอบายนี้ไม่มีอะไรมามาห้ามได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎหมายทางโลกนี้ยังเป็นกฎหมายที่มีการบิดเบือนได้ทำผิดแล้วยังอา จ, จะไม่ไปถูงจับไปลงโทษก็ได้ แตกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการบิดเบียนไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ทำบาบด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาบด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาบด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุรกายทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมก็ไปนรกนี่คือสิ่งที่เราต้องคํานึงต้องพยายาม รักษาใจของเราอย่าให้ตกต่ำโดยการละเว้นการกระทํำบาปละเว้นการเสพ บ, บายมุกและให้มีฮิเลโอ ต, ตะปะเป็นคุณสมบัติในใจของเราแล้วการป้องกันไม่ให้ใจเราตกต่าก็จะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวถ้าเราไม่ทํำบาปแล้วบุญที่เราทํานี้ก็จะยกระดับใจให้เราสูงขึ้น บุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานนีก็จะยกระดับใจให้เราขึ้นไปเป็นเทพไปไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพเวลาร่างกายเราตายไปบุญที่เราได้สะสมไว้ในใจเราก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะพาให้ใจเราไปอยู่ในสวรรค์ให้เราอยู่กับความสุขอยู่ในระดับสวรรค์ของชั้นเทพที่ยังต้องยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสลิปอยู่ ถ้าเราอยากที่จะขึ้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากยิ่งกว่าความสุขจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องบำเพ็ญสมถะภาวานาคือการเจริญสมาธิเจริญให้เจริญความสงบนเพราะความสงบนี้เป็นความสุขของระดับพรหม mm. เป็นสวรรค์ชั้นพรหม mm. การที่เราจะเจริญสมถะภาวานาได้ เราก็ต้องมีการรักษาเพิ่มศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดจากศีลห้าเราก็เพิ่มเป็นอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนศีลข้อที่สามของศีลห้าให้เป็นอบรามจริยาก็คือไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครไม่มีการร่วมเพศกับใครแลาเป็นการแสวงหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อ แล้วก็เพิ่มสินข้อหไม่รับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องรับประทานตลอดทั้งวันทั้งคืนร่างกายเพียงแต่ต้องการอาหารมื้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วจึงไม่ควรรับประทานหาหมากกว่านั้นจึงสินข้อหจึงห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว การรับประทานอาหารมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอ น, อนขึ้นมาถ้าอยากภาวนาโดยที่ไม่มีนิวรณ์คือความความง่วงเหงาเหงานอนก็ต้องรับประทานอาหารพอประมาณรับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอให้ดับความหิวป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาขึ้นมาก็พออย่ารับประทานตามความอยาก เพราะมันจะรับประทานไปทั้งวันทั้งคืนแล้วจะทาจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตภาวนาเวลาหิวก็ไม่มีกระจิกระจายภาวนาเพราะจะคิดแต่แก่อาหารที่อยากจะรับประทานพอได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเปียดคันก็จะไม่อยากว่าจะภาวนาอีกอาการรับประทานอาหารนี้ถ้าไม่ละมัดระวังนี้จะกลายเป็นอุปสรรค เป็นนิวรที่จะขวางกัน้นการปฏิบัติจิตตภาวนาถ้าอยากจะได้มีโอกาสได้มีกำลังที่จะบาเพ็ญจิตตภาวนากำจัดอุปสรรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องถือศีลข้อหก อ, อย่ารับประทานอาหารมากเกินไปอย่ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วรับประทานพอประมาณมแล้วก็จะ ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการที่จะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเ้วก็ให้เลิกละเว้นการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในรูปแบบของมหระรสพบรรเทิงต่างๆอย่าดูหนังฟังเพลงอย่าดูเรื่องราวทางโลกให้ตัดไปให้หมดรูปเสียงขีดรถปวดตาพะถ้าจะดูจะฟังก็ให้ดูแต่เรื่องธรรมะได้อยู่ ฟังเทศฟังธรรมดูธรรมะดูอะไรที่เป็นคติเตือนใจสอนใจให้มีศรัทธาวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาอันนี้ก็ดูได้ฟังได้แต่ถ้าดูเรื่องทางการอารมณทางการมาสุสุดูแล้วทาให้เกิดความเพลิดเพลินอันนี้ไม่ควรทำเพราะเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดเสพแล้วก็จะติด แล้วก็เวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหงาขึ้นมามต้องเสพอยู่เรื่อยๆก็จะไม่สามารถทำให้ไปเจริญจิตตภาวนาได้<ม>แล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่ง่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมต่างๆหรือสมัยนี้ก็ด้วยการทำสัญญกรรมต่างๆเป็นต้นตาการกระทำเหล่านี้ เป็นการทำให้ติดในการผสมเหมือนกับการติดรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ดีของเครื่องบันเทิงต่างๆก็ดี<ม>จะทำให้จิตใจไม่มีกระจิตกระจายที่จะไปบาเพ็ญจิตตาภาวนาได้<ม>แล้วข้อสุดท้ายของศี่ข้อแปก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่าการนอกมากเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายและจิตใจกลับจะทาให้เสียประโยชน์ เราจะเสียเวลาหมดไปกับการหลับนอนที่มากเกินไปถึงควรนอนในที่นอนที่ไม่สุขสบายมากเกินไปคืออย่านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆนะที่มันสุขที่มันสบายเพราะเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆนะที่มันสุขสบายใจก็ยังจะอยากจะนอนต่อก็จะทำให้เสียเวลามีค่าของการ ไปบำเพ็ญจิตตาภาวนามหมดไปกับการหลับนอนโดยที่ไม่มีความจำเป็นไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อย่างใดและกลับเป็นการเสียโอกาสเสียประโยชน์ให้ทางด้านจิตใจเพราะเวลาที่จะไปบำเพ็ญมันก็จะมีน้อยลงนั่นเอง อ, อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะต้องจเจริญนั่อต้องการต้องปฏิบัติถ้าเราอยากที่จะ ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่าระดับของเทพเทพเขาหาความสุขจากการเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆแต่พรหมนี่เขาหาความสุขจากการทำใจให้สงบในระดับของฌานต่างๆในระดับรูปฌปานและอรูปฌา mm. อนอาจจะทำให้ใจสงบนิ่งเข้าสู่รูปฌปานและอรูปฌปานได้ยังต้องใช้เวลาจรินสติอย่างต่อเนื่อง คืพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เจริญสติทั้งวันเลยทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พอลืมตาขึ้นมาเป้าหมายของการบําเพ็ญก็คือสติเป็นอันดับแรกเลยนอกจากรักษาศีลแปดแล้วเราก็มาเจริญสติทั้งวันทั้งคืนด้วยการใช้กรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งกรรมฐานนี่มีอยู่ สีชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกเอามาใช้เป็นเครื่องควบคุมใจไม่ให้ไปปรุงสร้างไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดความคิดปรุงแต่งด้วยการมีกรรมฐานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ใช้ก็คือพุทธานุสติก็คือการเจริญทำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ อลืมตาขึ้นมาก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอะไรต่างๆการบําเพ็ญจิตจภาวนาได้นี้จะได้จะบำเพ็ญได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมนี้ต้องบําเพ็ญในวันพระเช่น ว, วันนี้คาว่าวันพระนี้หมายถึงวันที่เราไม่ต้องไปทํามาหากินทํางานทําการเลี้ยงปากเลี้ยงต้อง แล้วก็จะมุได้ไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานทำมาหากินต่างๆถ้าเราไม่ทํางานเราอยู่บ้านหรือเราไปอยู่วัดอยู่ไปไปอยู่สถานที่ที่สงบสงัด<ม>การบําเพ็ญจิตตภาวนาต้องมีสถานที่ที่สงบด้วย<ม>ถ้าไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจคือการมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมันก็จะทําให้ใจนี้ จเจริญสตินั่งสมาธิได้ยากเพราะพอได้ยินเสียงใจก็จะไหลไปกับเสียงที่ได้ยินพอเห็นรูปก็จะไหลไปกับรูปที่ที่เห็นไม่สามารถที่จะดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ <c oughs> จึงจําเป็นต้องมีสติคอยกํากับใจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> สตินี้แหละที่จะเป็นผู้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ ถ้าไม่มีสตินี้ก็ <c oughs> จะไม่สามารถดึงจิตใจให้เข้าไปสู่ข้างในได้ <c oughs> เข้าไปสู่ในใจ <c oughs> เข้าไปสู่ความสงบได้ใจก็จะถูกสิ่งต่างๆคอยดึงไปรูปเสียงกยลิ่นรสผดทพะและสัญญาอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมันมักจะคิดไปหาแต่รูปเสียงกยลิ่นรสผดพทพะอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องใช้กรรมฐาน เป็นอารมณ์คอยสกัดกั้นความคิดต่างๆด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธเนี่ยการบริกรรมพุโทโธนี้เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติคือใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตใจลอยไปกับลูกเสียงกิ่นรสโผฏภาพพะชนิดต่างๆให้จิตใจตั้งอยู่ ในความสงบตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องทำถ้าเราอยากที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าระดับของเทพคือเข้าไปสู่ระดับของพรหมเราต้องมีการถือศีลแปดมีการไปปีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดอยู่คนเดียวไม่คลุกคลีกับใครไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ติดต่อผ่านทางสื่อสารชนิดต่างๆไม่รับรู้เรื่องราวของทางโลก<ม>เพื่อที่จะได้มาทำใจให้นิ่งให้สงบได้ด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อย<ม>ถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตได้ ไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นร้โผฏฐพัทธนิสต่างๆได้เมื่อไม่ได้คิดอารมณ์ที่อารมณ์คือความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าความอยากไม่เกิดใจก็จะเย็นใจก็จะสบายแต่ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะร้อนใจก็จะฟุ้งขึ้นมาทันทีความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจที่ต้องมีสติ เป็นผู้คอยยับยั้งมันถ้าไม่มีสติแล้วพอเผลอสติเมื่อไหร่เดี๋ยวความอยากจะโผล่ขึ้นมาทันทีพอนึกถึงรูปปั๊บเดี๋ยวก็อยากจะดูรูปพอนึกถึงเสียงก็อยากจะได้ยินเสียงขึ้นมาทันที<ม>ยังนั้นต้องคอยจเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะทําใจให้สงบให้นิ่งเพราะถ้าเราไม่มีสติคอยกํากับใจใจเราก็จะพุ่งกับเรื่องนั้นฟุ่งกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ เวลามานั่งสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้เพราะไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆไว้ก่อนที่จะมานั่งนั่นเองดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญสติให้มากมากก่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดจําเป็นที่สุด ้าสติแล้วทำอย่างอื่นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ดีไม่ว่าจะเป็นปัญญาก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิวมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ดีทาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมาได้ถ้าถ้าไม่มีสติเป็นผู้นำสตินี้ยิ่งใหญ่สำคัญองเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่า สัตว์อยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่านี้รอยเท้าช้างสามารถครอบได้ได้หมดเลยจึยงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเจริญสติให้มากๆก่อนให้สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เป็นระยะระยะไปเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจว่างใจเย็นใจสงบใจสบายและเวลานั่งสมาธิใจถึงจะเข้าฌานได้ การเจริญสติในระหว่างวันในขณะที่ไม่ได้นั่งนี้มันยังไม่สามารถทําให้ใจเข้าสู่ฌานได้เพราะว่าใจยังต้องทํางานเกี่ยวกับการสั่งการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอยู่เวลาร่างกายเดินใจนี่แเป็นผู้ต้องทํางานต้องเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเดินเวลาใจเวลาร่างกายทํางานทําอะไรใจก็ต้องทํางานเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำเช่นเวลา อาบน้ำล้างหน้ า, น า, นาแปลงฟันใจก็ต้องเป็นคนสั่งให้ทำเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารใจก็ยังต้องทำงานแต่งร่างกายให้ทำต่างๆอยู่ถ้าใจยังต้องทำงานอยู่ใจก็ําไม่สามารถเข้าสู่ความนิ่งสงบของฌานได้ได้อย่างมากก็คือการลดการคิดปรุงแต่งให้เบาบางลงให้น้อยลงไปเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถทาให้เข้าฌานเข้าสู่สมาธิได้ จะต้องนั่งนิ่งเฉยๆร่างกายมันต้องไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรแล้วนั่นแหละใจถึงหยุดทำงานได้แล้วก็ถ้ามีสติคอยกํากับใจให้หยุดคิดได้ใจก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้ <c oughs> นี้ก็คือ <c oughs> การยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมถ้าได้รูปฌปานก็จะได้เป็นรูปพรหม ถ้าได้อารูปฌานก็จะได้เป็นอรูปปฐมปผมสองระดับนี้มีความสุขมากน้อยต่างกันรูปปฐมนี้มีความสุขน้อยกว่าอารูปปฐมเพราะความละเอียดของจิตนี้มีความละเอียดมากน้อยต่างกันด้วยอำนาจของรูปฌปานและอรูปฌานนี่คือสวรรค์ขั้นต่างๆที่ผู้มีศรัทธาสามารถยกระดับจิตใจของตนให้ขึ้นไปได้ แต่สวรรค์เหล่านี้ยังเป็นสวรรค์ชั่วคราวอยู่คือยังมีการเสื่อมได้อยู่ทําบุญทําทานตายไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ส่งไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพหมดหมดลงจิตก็จะต้องลดลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาทําบุญทําทานใหม่มารักษาศีลใหม่พอตายไปก็จะกลับขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพใหม่ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติแต่ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องมีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ก <unique> ็ยังต้องเจอกับความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะการทำบุญรักษาสีนห้านี้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแต่ช่วยส่งให้ใจ เวียนไหวตายเกิดในสุขคติไม่ให้ไปเวียนไหวตายเกิดในทุกขคติคือไม่ให้ไปเวียนไหวตายเกิดเป็นเบสเป็ น, ปนอสุลกายเป็นนรกหรือเป็นเดรัจฉาน mm hmm. แต่ยังต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เช่นเดียวกับการที่ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมจากการเจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานขั้นตา่างๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพ คือบุญที่ส่งให้ไปเป็นไปสวรรค์ชั้นพรหมก็คือสมาธิหรือฌานขั้นต่างๆนี้มันก็เสื่อมได้หมดได้เวลาหน้างกายตายไปใจก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมตามอำนาจของกําลังของสมาธิได้ที่ได้ฝึกได้ได้เจริญในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่กําลังของสมาธินี้ก็จะเสื่อมหลังจากพอกําลังเสื่อมใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกกลับมาเกิดเพื่อมาเติมสติเติมสมาธิใหม่เพื่อที่จะได้เวลาตายไปจะได้กลับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมใหม่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเลยจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติขึ้นไปสู่อีกขั้นหนึ่งขึ้นไปสู่ชั้นพระอริยเจ้า คือชั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีพระอราหารันต์พระนิพพาน อ, อันนี้ต้องเติมการปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นเราเจริญสมถะภาวนาก่อนเมื่อเราได้สมถะภาวนาได้ฌานได้รูปฌานได้รูปฌานแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมา พอใจเราเริ่มมีความอยากต่างๆเราก็ต้องกําจัดมันด้วยปัญญาเพราะว่าถ้าเราไม่กําจัดความอยากด้วยปัญญานี่ความอยากนี่แหละจะเป็นตัวที่จะพาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้ามีความอยากในกามก็จะกลับมาเกิดในกามมาพบถ้ามีความอยากเสพรูปประชานก็จะกลับมาเสบรูปประชานถ้าอยากจะ เออถ้าถ้าถ้าอยากจะเสพอารมประชานก็จะกลับมาเกิดในอารูณประพบเนีมันก็ยังจะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ต้องคอยกําจัดความอยากต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของสังโยชนิประการด้วยกันคือตั้งละสังโยชน์ิประการด้วยปัญญา สังโยชน์ก็คือความอยากในรูปแบบต่างๆให้หมดไปจากใจการะละสังโยชน์ละความอยากเหล่านี้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังเช่นอยากจะเสพกามกามนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวอยากจะเสพรูปประชานความสุขของเลกประชานก็เป็นความสุขชั่วคราวอยากจะเสพอรูปประชาน ความสุขของลูก ป, ประชานก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเสพอยู่เรื่อยมามาเจเริญอยู่เรื่อยถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดกับมาเสพสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตัดความอยากออกไปให้หมดด้วยการเห็นว่าความสุขของกลางมคุณห้าของกลามก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเวลาที่มันเสื่อมมันก็จะทําทให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลาความสุขหมดก็จ่อยความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขไปอย่างยังย่งยืนถาวรไม่ได้เพราะมันเป็นของชั่วคราวตามาคุณห้านี้เป็นของชั่วคราวกามาพบนี้เป็นเป็นของชั่วคราว<ม>เศรษแล้วก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่มาหาใหม่ ไปอยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยๆในการมมาพบรูปประชานอารูปประชานก็เหมือนกันก็เป็นอนิจจังไม่เทียมเป็นของชั่วคราวเวลาเข้าฌานก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาออกจากฌานมาพอฌานหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปความรู้สึกหมุดเย็ดลำคาญใจก็จะกลับเข้ามาแทนที่ได้ต้องกําจัดความอยากเสพรูปประชานความอยากจะเสพอรูปประชาน ถ้าตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจรู้สึกหิวโหวยรู้สึกขาดนู่นขาดนี้เพราะตัวที่ทําให้ใจรู้สึกหิวโหวยรู้สึกว่าขาดนู่นขาดนี้ก็คือความอยากเหล่านี้แต่เวลาที่ทําใจให้สงบนี่ความหิวโหวยต่างๆมันก็จะหายไป แต่การทำใจให้สงบด้วยสตินี้มันไม่สามารถที่จะกําจัดตัวที่จะมาสร้างความหิวโหวยคือความอยากให้มันหายไปอย่างถาวรได้เพียงแต่กดเอาไว้ห้ามมันไว้อนาที่อยู่ในสมาธิเนี่ยความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้แต่พอออกจากสมาธิมาไม่มีอะไรคอยควบควบคุมห้ามปามไม่ให้เกิดความคิดเกิดความอยาก พอเกิดความคิดเกิดความอยากก็จะเกิดความรู้สึกหิวโหยขึ้นมาใหม่จากวิธีกิจกรรมจัดความหิวโหยความอยากนี้ให้มันหายไปอย่างท้าวอยก็ต้องให้เห็นว่าความหิวโหยเหล่านี้มันพาไปสู่การไปหาความทุกข์ไม่ใช่การไปหาความสุขหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะพาให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวพอความสุขที่ได้หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ความหิวโหยใหม่ก็จะกลับเข้ามาแทนที่มันไม่สามารถทำให้ใจอิ่มอย่างท้าววอนได้จะทำให้ใจหิวอยู่เรื่อยๆ uh huh. ท่านพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาความอยากนี่มันไม่มีขอบไม่มีฝัง uh huh. ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเขาก็ยังมีขอบมีฝังอยู่แต่ตัณหาความอยากนี่มันไม่มีขอบไม่มีฝัง ได้เท่าไหร่มาก็ไม่อิ่มไม่พอก็จะหิวไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆ เ, เมื่อมีความหิวคอยความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่นยนั้นต้องกําจัดความอยากด้วยปัญญาเพราะร่ากเง้าของเหตุที่ทําให้เกิดความอยากก็คืออวิชชาหรือโมหะความไม่รู้ความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ใจไปอยากหาความสุขด้วยว่ามันนวนเป็นตายรักทั้งนั้น มันเป็นอนิจจังทุกข wow> ังอนัตตาอยากในรูปเสียงกลิ <t <t ่นรสมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากในลาบยศสารเสริญสุขมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากในรูปประชาหรือในอารูปปชามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยว เป็นทุกขังเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําให้มันเที่ยงได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครมันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติคือกฎของตายรักษณสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าใครไปอยากให้มันเกิดแล้วไม่ดับก็จะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับความผิดหวังเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นตายรักษ อย่าไปหาความสุขจากกามคุณห้าอย่าไปหาความสุขจากรูปประชานอย่าไปหาความสุขจากอรูปประชานพอตัดความอยากเหล่านี้ได้ใจที่หิวโหยก็จะกลับเป็นใจที่อิ่มที่พอขึ้นมาเป็นใจที่สงบขึ้นมาทันทีใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาคือเ้าเรียกว่า น, นิพพานนี่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ที่มาสร้างความหิวโหยให้กับใจวความสิ่งเหตุที่มาทาความหิวโหยให้กับใจถูกกำจัดด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขแก่จิตใจได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนก็ตามโลกของตามโลกของลูกประชานโลกของลูกประชานก็ไม่สามารถตอบโจทย์คือความอยากของใจได้ แต่สิ่งที่จะตอบโจทย์ความอยากของใจได้ก็คือการกำจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการเห็นว่ า, ไ ม, าไม่สามารถหาอะไรในโลกต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขได้ให้หยุดการแสวงหาเสียทีพอหยุดความอยากความต้องการหมดไปจากใจใจที่เคยวุ่นวายกับการแสวงหาก็จะสงบตัวลงโดยอัตโนมัติใจก็ที่เค ย, เคยหิวโหวยก็จะกลายเป็นใจที่อิ่มเ อ, อิบขึ้นมาทันที เมื่อได้สามารถกำจัดตันหาความอยากด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วหลังจากนั้นแล้วความอยากต่างๆที่ถูกกำจัดด้วยปัญญานี้จะไม่มีวันย้อนกลับคืนมาได้อีกต่อไปเพราะได้ไปกำจัดร่างเง้าของความอยากคือความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้ที่จะให้ความสุขอย่างยั่งยืนทาอนี้ไม่มีในโลกนี้ นะสิ่งที่มาทําให้ใจหิวโหวยที่ไม่มีความอิ่มความพอก็คือความอยากนี้ก็เพียงจะหยุดความอยากนี้เท่านั้นเองพ อ, อฝืนความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ความอยากที่เคยผลักดันจิตใจก็จะฟอหายไปหมดพอไม่มีตัวที่มาผลักดันมาสร้างความอยากสร้างความหิวโหวยให้กับใจใจก็จะนิ่งสงบใจก็จะอิ่มใจก็จะสบายไปตลอดไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปหลังจากที่ใช้ปัญญากําจัด ความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือการมาสร้างความประเสริฐให้กับจิตใจสร้างพระให้กับจิตใจเบื้องต้นก็ให้เป็นพระเทพก่อนจากพระเทพก็ให้ให้เป็นพระเทพด้วยการทำบุญทำทานแล้วก็ให้เป็นพระพรหมด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ให้ไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระนิพพานด้วยการเจริญปัญญา ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจที่หิวโหยกับสิ่งต่างๆในโลกก็จะหยุดหิวโหยกับกลายเป็นใจที่อิ่มที่พอโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรมาให้กับใจเพราะธรรมชาติของใจที่ปราศจากความอยากนี้เป็นใจที่อิ่มที่สงบที่เต็มสมบูรณ์ด้วยบรมสุขวลังรรสุขทั้ง เมื ใ, ใจมีรมบรล ม, มัสมุขมีบัลมังสุขถังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปทําอีกต่อไปจะเติมอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเติมให้มากกว่าบรล ม, มัสุขได้เหมือนน้าที่เต็มแก้วอยู่แล้วจะเทน้ําเข้าไปอีกสักเท่าไหร่น้ํามันก็ต้องล้นไหลออกมาหมดเพราะมันเต็มอยู่ในแก้วอยู่แล้วใจที่เต็มไปได้วยความสุขก็ไม่มีภารกิจอะไรต้องทำอีกต่อไปท่านนึงบอกว่าวิวสิตังบ ร, รมจริยัง ในประมาจา น, นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อใจเข้าถึงบรารมังสุขขังเมื่อใจได้กำจัดตัวที่มาสร้างความหิวความอยากคือโมหะอาวิชชาด้วยปัญญาด้วยการเห็นตายลักษ์ด้วยการเห็นอริยสัจสีนี่แหละก็คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อาราสุยะาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนศีลิตศะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง <า>ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากนี้แล้วก็จะไม่สามารถตอบคำถามให้ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กระเปลี่ยนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ349ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ370ท่านทาง YouTube ดรวี45ท่านทางวิทยุออนไลน์12ท่านทางขับ h ฮ u s ์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ157ท่านรวมทั้งหมด เก้าร้อยสามสิบเก้าท่านครับกราบธรรมสการพาจาร์เช้าค่ะมีคำถามฝากถามเข้ามาว่าสามีชอบให้สวดมนต์ทุกเช้าวันพระพอสวดมนต์เสร็จแล้วชอบให้สวดต่ออีกบทเรื่อยๆ แต่ตัวเองต้องรีบไปทํางานเลยเกิดการทะเลาะกันทุกเช้าวันพระที่ต้องไปทํางานแบบนี้จะได้บุญทั้งสองคนไหมคะบุญที่เกิดจากการสวดก็ได้อยู่แต่บุญที่เกิดจากการทะเลาะกันนี่ก็ไม่ได้ได้ไ ด, ได้ได้ความทุกข์ขึ้นมายังไม่ถือว่าบาปแต่ก็ไม่ควรที่จะทะเลาะกันควรที่จะทําความเข้าใจกันว่ามันต้องมีเหตุมีผล ส่วนมนมันก็สววนดีแต่เวลาทำงานก็ต้องไปทำงานก็ต้องขอให้รู้จักประมาณในในการใช้เวลาให้ถูกต้องเจ้าค่ะคำถามจากผู้รับฟังธรรมานากุเจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามเจ้าค่ะเนื่องจากว่าน้องสาวของดิฉันได้เล่าให้ฟังว่าพ่อมาหาค่ะ พ่อเสียชีวิตไปเมื่อวันที่2เมษายน2567ค่ะน้องสาวของดิฉันมีลูกชาย3คนค่ะดิฉันไม่เคยฝันถึงพ่อเลยดิฉันได้เอาเรื่องความฝันของน้องสาวไปคุยกับเพื่อนเพื่อนดิฉันบอกมาว่าพ่อไปเกิดไม่ได้พ่อรอเกาะชายผ้าเหลืองจากสายเลือดต้องให้หลานชายบวชให้พ่อถึงจะได้ไปเกิดดิฉันจึงมีความสงสัยจึงเรียนเพื่อการ ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโปรดชี้แนะความสว่างด้วยเถิดเจ้าค่ะจากคุณสมพรคือคนจะไปเกิดไม่เกิดไม่ได้อยู่ที่ว่าไปเกาะชายผ้าเหลืองที่ไหนมันได้เกิดเพราะกิเลสตัณหาความอยากถ้ายังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิน่นนั่นอยู่มันก็จะต้องไปเกิดใหม่มไม่ต้องไปกัวงวลกับคําพูดของใครให้ใช้คําพูดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าตาบใดยังมีกามตัณหาอยู่เพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาอยู่ การเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องมีต่อไปอยู่เรื่อยๆเค่ะจากผู้รับฟังธรรมนานุกติฝากถามเข้ามาว่าได้ยินว่าการไม่ทำตามความอยากจะทำให้ความอยากนั้นหายไปหนูอลองปฏิบัติตามโดยไม่รับประทานขนมอาหารที่อยากทานทำได้หนึ่งปีน้ำหนักลดลงแต่พบว่ายังมีความอยากอยู่ลึกๆและ รู้สึกเมื่อหน่นายและหดหูอยู่ค่ะรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะขอพระคุณค่ะคือการห้ามความอยากด้วยสติมันจะห้ามได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถห้ามได้อย่างถาวรถ้าอยากจะให้มันไม่อยากกินขนมอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องมองขนมให้เห็นให้เป็นอุจจาระให้ได้พราขนมที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้อ อ, อกมากลายเป็นอุจจาระ เราต้องย้อนสอนย้อนทางเดินของขนมขนมมันมาจากไหนมันก็มาจากก้นเรานี่แหละแล้วมันก็กลับเข้ามาที่ปากเราแล้วมันก็ออกมาสู่ ส, สู่สู่ถุงสู่อะไรที่เราเห็นอยู่นี่ถ้าเราเห็นทั้งขบวนการของขนมแล้วมันก็จะไม่อยากกินละกินขนมก็เหมือนกินอุจจาระดีๆนีเ่เป็นการผลิตอุจจาระเข้าไปร่างกายเรานี่เป็นเหมือนโรงงานผลิตอุจจาระ ขนมนี่ไปเหมือนวนะัตถุดิบใช่ไหมทํางานโรงกั่นเขามีวัตถุดิบใช่ไอมวัตถุดิบเข้าไปในโรงกัน่นโรงกั่นก็กั่นให้กลายเป็นน้ํามันกลายเป็นอะไรอรนะ่างกายเราก็เป็นโรงกั่นอุจระกับปัสสาวะเนี่ยกินอะไรเข้าไปเดืม่มเข้าไปเ ด, เดี๋ยวมันออกมากลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นอุจระกลายเป็นปัสสาวะนะนะั้ให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปยังไม่อยากกินอะไรเลยจะกินเท่าที่จําเป็นใชนะกินเฉพาะเวลาที่ร่างกายมันหิวนะ อาจจะไม่กินด้วยความอยากเพราะทครั้งที่อยากก็คิดถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่กินเข้าไปแล้วว่ามันจะกลายเป็นอะไรเสียเงินไปซื้ออุจจาระมากิ น, นแท้เก็บเงินไว้ใช้ของที่จําเป็นดีกว่าอันนี้ต้องใช้ปัญญาความอยากถึงจะหายอย่างถาวรถ้าใช้ความอดกั้นใช้สตินี่มันถ้ามีสติกําลังมันก็สู้ได้แต่ถ้านานๆเข้าสติมันอาจจะอ่อนกําลังลง แล้วพอมันเห็นขนมมันก็ยังอยากกินอยู่แต่ถ้าเห็นขนมว่ากลายเป็น อ, อุจจาระเนี่ยมันจะไม่อยากจะกินเนี่ยใช่ค่ะมีคําถามถามมาว่าถ้ามีลูกยากแล้วไปทําอีกซี่เด็กหลอดแก้วบาปไหมคะการเกิดมันเป็นทุกข์จะมันไม่มันไม่บาปแต่มันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองกับผู้ที่มาเกิด พราผู้ที่มาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย mm hmm. เหมือนมาดิ้นรนต่อสู้กับทุกอย่างอย่างที่พวกเรากําลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้แต่ก็มันก็ห้ามเรื่องของของธรรมชาติไม่ได้คนที่ไม่เกิดได้นี่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมละความอยากได้ต้องเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถหยุดความอยากได้นอกนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจะทําทกรรมกันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้น จะค่ะจากคุณกิศนากราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมีความสงสัยว่าถ้าหากเราเสียชีวิตในขณะถูกวางยาสลบในห้องผ่าตัดสภาวะจิตในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรครับขอเมตตาหลวงพ่อช่วยบรรยายธรรมตามที่มีข้อสงสัยด้วยครับเป็นเหมือนตอนที่ไม่ได้สลบลเพราะว่าผู้ที่สลบไม่ใช่จิตนะผู้ที่สลบก็คือร่างกายนั่นเองจิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ ต อ, อนที่จะดมยากับหลังจากที่ดมยาจิตก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวจิตบุญกับบาปที่มีอยู่ในจิตก็ยังมีเท่าเดิมอยู่และผู้ที่จะส่งจิตไปเกิดสูงหรือต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทําไว้อันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะตายแบบไหนในรูปแบบไหนก็ตามก็ยังไม่มาเปลี่ยนแปลงการไปเกิดของจิตว่าจะไปเกิดสูงหรือต่ำอยู่ตัวที่จะมาเปลี่ยนก็คือบุญหรือบาปที่เราได้ทําไว้นี่ฮะเจ้าค่ะ มีจากทางยูทูบพระอาจารย์ถามเข้ามาว่าหลวงพ่อคิดยังไงกับเงินที่หายไปกับบ้านถูกไฟไหม้ครับก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันหรือว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญได้ก็มีเสื่มได้เป็นธรรมดานีเกิดก็ต้องมีดับงั้นถ้าเรารู้เรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป ถ้าเราไม่จากมันถ้ามันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเพราะนี่คือ่องของอนิจจังโลกของขั ง, งไม่เที่ยงแท้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบปัญญาก็กมองว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้ามองตามสมมติก็มองว่าเป็นเงินที่เราขโมยเข้ามาก็ได้หรือยืมเข้ามาก็ได้เราต้องคืนเข้าไปแล้วใจเราก็จะได้สบายเดี๋ยวมีคนอยากจะถามปัญหา i r e v e r a b l e I had a few accidents uh, when I was young, and uh, so I have a lot of chronic pains. and uh, The practice has helped me a lot to not be attached to it. And when I can meditate and go deeper in this, then I don't feel the pain anymore. But I feel that sometimes when I cannot go so deep in my meditation, after when I come out, the pain is still there, and sometimes it gets worse. and Sometimes I feel confused about how to find the balance between not being attached to the physical pain, but also maintaining the body so I can live its spiritual life. Because sometimes I couldn't walk for a few days, or I would have to go to the hospital because I have a tendency to not feel so much when I have pain in general already. So, if you can advise on this, also on how to use the meditation, not in a way that can hurt ourselves. You, you need mindfulness after you come out of meditation. Continue reciting Buddha, Buddha. Then your mind can leave the pain alone, and your mind don't feel bad, won't feel bad, because the mind doesn't react to the pain. But when you don't have mindfulness, your defilement mind wants to react to the pain, wants to get rid of the pain, and when you cannot get rid of the pain, you become frustrated, become stressful, become unhappy. So you need mindfulness. I think in a few occasions my mind was feeling at ease, but there was actual physical issues. Like I had broken my two knees, and I didn't realize for almost one month. <laughs> Then I went to the hospital, and they had to put me in a cast. A few times it was like this. So I wonder, like sometimes I have a tendency to dissociate from my body. Like I can have a glass or burning in me, and I don't notice it. So I, in this case, it's not my mind suffering so much; is that I don't even. I feel like I cannot come back to my body in these cases. Do you have another? That's your mind. When you feel that like you don't come back to your body, it's your mind. That that s the problem, not your body. Because you have defilement, your aversion for the body. So you have to stop this aversion by reciting Bhuto t Bhuto. t When you have Bhuto t Bhuto, then the aversion will disappear. Then you can come back and live with the body normally. thank you คำถามจากคุณแสงเดือนเจ้าค่ะกถามเข้ามาว่ากลับในเัศกรารเจ้าค่ะศิลปะห้ามใส่แหวนตุ้มหูด้วยไหมคะเครื่องประดับทั้งหมดนะอะไรที่เสริมสวยความงามนี่ไม่ควรใช้ถ้าถ้าใส่เพื่อเพื่อรักษาสุขภาพนี้ใส่ได้อยู่ในสมัยนี้เขาให้มีนาฬิกาวัดความดันวัดเบาหวานนี่จะใส่นาฬนิกาอย่างนั้นก็ได้อยู่ จะจะใช้นาฬิกาดูเวลาก็ได้อยู่พระปฏิบัติท่านก็ใช้นาฬิกาเพียงแต่ว่าท่านไม่ใส่ข้อมือท่านใส่กระเป๋าเล็กๆแล้ว เ, เสียไว้กับเข็มขัดใต้ใต้จีวร อ, อยู่พอวางทีต้องดูเวลาว่าเวลาไปบิณฑบาตกี่โมงเวลาจะไปปัดกวากี่โมงต้องรู้จักเวลาก็ต้องมีเวลาต้องมีครับมีนาฬิกาใช้กันแต่ไม่จะไม่มาใส่แบบเป็นเครื่องประดับเหมือนสัตตาヤยโย ดูนาฬิกาใช้เวลาดูเวลาแล้วยังใช้เป็นเครื่องประดับอีกนะนาฬิกาบางเครื่องนี่ราคาเป็นล้านเลย mm hmm. มันก็บอกเวลาเท่ากับราคาร้อยสองรอยมันก็เป็นบอกเวลาเหมือนกันแต่ทำไมต้องเสียเงินเป็นล้านขึ้นมาแล้วพวื่อเฉอวดความรวยอวดความสวยไนงะอันนี้ก็เป็นกิเลสนะเจ้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณทีคัฒนาถามเข้ามาว่า ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายสภาวะของจิตก็มีความไม่เที่ยงเช่นบางทีก็ปฏิบัติแทนแล้วสุขปฏิบัติธรรมน้อยก็ไม่พอและเห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ยังเครียดวนไปมาอยู่เนืองๆขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่า เราควรรู้และวางเฉยกับสภาวะเหล่านี้จนกว่าจะองสบายใช้เหม่เจ้าคะ่ะน้อมกราบในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะขอให้พระอาจารย์มีความสุขตลอดการเจ้าคะ่ะคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ในจิตเราบางวันก็สดชื่นเ บ, บิกบานบางวันก็ซึมเศร้าบางวันก็เครียดบางวันก็วุ่นวายบางวันก็สงบ เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาทําให้มันเป็นอย่างนั้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสมันก็มาทําให้ใจเราสง บ, บได้สุขได้หรืทุกข์ได้หรืออารมณ์ของเราที่เราคิดถึงมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะทําให้ใจเราวุ่นก็ได้จาให้ใจเราสบายก็ได้ดังนั้นข้อสําคัญวิธีปฏิบัติกับอารมณ์เหล่านี้ก็คือดูว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยน ฉันอยากจะให้มันสงบอย่างเดียวอยากจะให้มันสบายอย่างเดียวมันก็จะทุกข์เพราะมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราวบคุมบังคับไม่ได้เราอยากจะให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ตกทั้งวันทั้งคืนให้เราเราอยากจะให้มันไม่ตกเลยก็มันก็ห้ามมันไม่ได้ฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอารมณ์ในจิตของเราก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆสลับไปสลับมาเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วอยู่กับมันไป ถ้าเราอยู่กับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ถึงที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ไม่ได้มาดับการแปรปวนของของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต้องแปรปวนไปตามกฎของธรรมชาติเวทนาความรู้สึกก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกฎของธรรมชาติเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนเขาเราจะทุกข์เพราะทําไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยู่กับเขาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเขา ใช่ค่ะจากคุณจูดีบางทีเหมือนหมดกำลังใจทำดีแล้วไม่ได้ดีควรทำยังไงครับเพราะเรามองที่ผิดเงินผลของความดีไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่เขาให้เรามาเป็นบางคนทำงานแทบเป็นแทบตายไม่ได้โอไม่ได้อะไรไม่ได้เพิ่มเงินเดือนก็เลยท้อแท้เพราะนั้นไม่ใช่เป็นผลของการทำความดีผลของการทำความดีก็คือความสุขใจมใจ เวลาทำความดีโดยที่เราไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกสุ ข, สขใจสบายใจเห็นเวลาเราไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานคนนั้นช่วยงานคนนี้หรือว่าไปทําบุญทําทานไปช่วยเหลือคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขาเลยใช่ไหมแต่เรามีเราได้รดับผลตอบแทนจากการเสียสละของเราทําให้เรามีความสุขใจอันนั้นแหละคือผลของการทําความดีมันเกิดขึ้น แต่เรามองไม่เราไม่มองมันเราไปมองในสิ่งที่มันไม่เกิดแล้วก็เลยเสียใจนันเอนั่นการทําความดีไม่ได้หมาเขวามาเราจะได้ความเจริญทางาะลาบยศเสรรส่วนสุขบางทีกลับจะเสือ่อมเสียด้วยทำไปทําเงินทําบุญท ำ, ทำทานเยอะๆเงินก็น้อยลงไปสิมันจะไป ม, มากได้ยังไงใช่ไหมแต่คนบางคนกลับไปคิดว่ายิ่งทํำได้ยิ่งได้มันไม่ได้หรอกยิ่งทำก็ยิ่งหมดเนะี่ ดังนั้นแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันมีคุณค่ากว่าเงินทองที่เราเสียไปก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เงินทองซื้อไม่ได้ลองไปซื้อเงินไปซื้อความสุขด้วยเงินทองเสรมันเป็นความสุขประเดียวประดา้าไปดูหนังก็สุขเดียวเดียวพอออกจากโรงหนังมาก็หายไปแล้วแต่ความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้ทำไปเมื่อวานนี้เมื่อปีเมื่อเดือนก่อนนี้พอคิดถึงมันมันก็ยังทําให้เรามีความสุขอยู่เพราะมันยังอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันจะเป็นผู้สนับสนุนให้เราได้ไปสวรรค์ต่อไปด้วย อันนี้แหละคือผลที่เกิดจากการทำความดีอยู่ในใจของเราอย่าไปดูข้างนอกถ้าดูข้างนอกเราจะผิดหวังจะจะไม่เข้าใจเราจะท้อแท้ในการทำความดีได้เจ้าค่ะจากคุณบัวเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งการเจริญสติตลอดเวลาคิดพุทโธ ท, ทุกอริยบทพอเผลอก็กลับมาพุทโธยังถือว่าเจริญสติอยู่ได้ไหมคะ ได้แต่มพียงใยังล้มลุกคลคลานอยู่เหมือนเด็กที่ยังไม่สามารถยืนนื้อเดินได้อย่างตลอดเวลาลุกขึ้นมายืนได้ก้าวสองข้าวก็ล้มไปก่อนนี่คือลักษณะของการฝึกสติใหม่ๆเป็นยังเป็น เ, นเด็กอยู่แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะต่อเ น, นื่องกันไปเหมือนพอเรายืนได้เดินได้แล้วก็ยืนเราก็เดินไปได้ตลอดต่อไปมันก็จะมีพุโทโธอยู่ตลอดจะอยู่พุโทโธก็ต่อเมื่อเราไม่คิดอะไรพอมันคิดเราก็พุโทโธขึ้นมาใหม่ได้ เ้าค่ข้อที่สองน้ำดื่มปานะสามารถดื่มเป็นชาเขียวโออิชิได้ไหมคะถ้าเป็นถ้ามันเป็นเครื่องดื่มไม่ได้เป็นอาหารก็ได้แล้วแต่ว่าจะไปจำแนกมันว่าเป็นอะไรของมืงอย่างมันเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้เช่นน้นมถั่วเหลืองนี่ถือว่าเป็นอาหารนมนมข้นนมวัวอะไรพวกนี้ก็เป็นอาหารต้องต้องกินตอนเช้ากับอาหารกินหลังเที่ยงวันไม่ได้ ถ้าจะกินกาแฟต้องกินกาแฟดำกาแฟใสน่นมไม่ได้เจ้าค่ะจากคุณละเอียดเข้าสมาธิได้แล้วออกแล้วเกิดความคิดขึ้นเร็วๆต้องทำอย่างไรคะก็อยู่มันก่อนใช้สติต่อกรรมใช้เจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อไปเจ้าค่ะคุณหนึ่ง ถามเข้ามาว่ากลับในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนสอบถามค่ะปกติจะนั่งสมาธิได้เพียงครั้งละ15นาทีก็จะหลุดจากสมาธิเองและยังมีความคิดอยู่จิตสงบได้เล็กน้อยจะทำอย่างไรให้นั่งสมาธิาธได้นานขึ้นจิตสงบได้มากขึ้นเจ้าขาก็ใช้สติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆ ยิ่ ง, ง, งนั่งมากยิ่งฝึกสติมากก็ยิ่งจะสงบได้มากขึ้นจากคุณชัยศาลสภาวธรรมในขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสภาวธรรมเดียวที่มีกำลังมากที่สุดในการนำออกมาเดินปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสใช่ไหมครับใช่เพราะมีอุเบกขาอุเบกขานี้การวางเฉยไม่ไมหลไปตามความโลภความอยากต่างๆ แวลามีเกิดความโลภมามันจะไม่ไหลไปตามถ้ามีอุเบกขามันก็จะหยุดได้ถ้าปัญญาบอกอย่าไปโลภอย่าไปอยากใช่ค่ะคุณมณทิรากระดานเมตสกายมพรอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดลูกๆและทุกคนจะอนุโมทนาบุญด้วยแต่สามีเขาไม่ชอบและไม่อนุโมทนาบุญด้วย ถ้าทดิฉันไปแล้วดิฉันยังจะได้บุญอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ้ะขอความเมตตาเจ้าค่ะได้บุญเป็นของเราเราทําเราก็ได้คนที่อนุมโมทนาถ้าก็อนุมโมทนาเขาก็ได้บุญอีกแบบหนึ่งคือบุญที่เกิดจากความยินดีหเห็นผู้อื่นไปทาําความดีก็ยินดีกับเขาไปแต่สามีจะไม่ได้เพราะสามีไม่อนุมโมทนาเพราะสามีเสียความสุขไปเสียคู่นอนไปก็เลยไม่อยากให้ไป คะ่ะคุณจรัญญาฝากคําถามเราต้องฝึกปล่อยวางในปัจจุบันนี้โดยปล่อยวางร่างกายใช่ไหมคะคือร่างกายนี้อาจจะไม่อยู่กับเราในเวลาใดก็ได้และเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้แต่ร่างกายนี้คือก่อนจะปล่อยร่างกายได้ต้องปล่อยของข้างนอกก่อนปล่อยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ได้ก่อนไม่ไปแย่งสมบัติกับใครไม่ไปอยากได้สมบัติอะไรกับใคร ไม่เสียดายทรัพสมบัติแล้วก็ปล่อยวางคนที่ที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราใครก็ตามถึงเวลาเขาต้องไปก็ต้องปล่อยเขาไปไม่ไปทุกข์กับเขาเมื่อปล่อยของภายนอกได้แล้วค่อยมาปล่อยของเราคือตัวเราร่างกายเราต่อไปเซาค่ะจากคุณจจ า, จารุวัต นมัสการ์พระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องกสินพิจารณาเพ่งภาพจนจำได้ติดตาตรึงใจถือว่าเป็นสัญญาสร้างภาพขึ้นแล้วจนเกิดสมาธิเห็นแสงสว่างกสินที่จำได้หายไปเกิดความสงบถือว่าปฏิบัติมาถูกต้องตามทางทําไหมครับกับพระคุณครับ อ, อ๋อถ้าสงบก็ถูกต้องถ้าผลคือความนิ่งสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาก็ถือว่าถูกต้อง เช้าค่ะคุณนาวินกราบเรียนถามพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมมาหกปีจิตไม่ปรุงแต่งแล้วครับนอกจากเวลาหลับต้องทำอย่างไรต่อครับก็นั่งสมาธิให้จิตมันนิ่งสงบให้เป็นฌานขึ้นมาให้มันรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา สักค่ะคุณชิดชัยถามเข้ามาว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ผมไปปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วมีผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมด้วยการมารักผมถือว่าเป็นคู่รักกันไหมครับเขาเห็นเราใจดีใจเย็นเป็นที่พึ่งได้ก็อยู่ที่เรารักเขาเปล่าถ้าเราไม่รักเขาเขาไม่เขาก็ไม่เป็นคู่รักของเราแต่ถ้าเราไปรักเขาด้วยเขารักเราด้วยก็ต้องเป็นคู่รักกันค่ะ จากทาง youtube พระอาจารย์เจ้าคะ่ะถามเข้ามาว่าคุณแม่เป็นเป็นโรคสมองเสื่อมเราดูแลท่านใกล้ชิดท่านเลยอยากให้เราอยู่กับท่านตลอดเหตุนี้ทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอได้ยินว่าเราควรทําตัวเราให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นคือต้องห่างแม่และกลัวท่านจะเสียใจเราควรอย่างทําอย่างไรเจ้าคะ่ะก็เราก็นอนได้เวลาที่ท่านนอนเราก็นอน หนาไม่น่าจะมีปัญหาอะไระไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเราก็ต้องแบ่งเวลาไว้ไปพักผ่อนหลับนอนของเราเจ้าค่ะจากย t u b e กราบเรียนถามว่าปกติหนูจะสวดมนัน่งสมาธิก่อนนอนที่พบคือหลังจากนั่งสมาธิแล้วร่างกายจิตสดชื่นจิตใจสดชื่นสดใสมากตื่นตัว ไม่รู้สึกง่วงนอนเลยจะทําอย่างไรให้รู้สึกอยากนอนพักผ่อนเพื่อทํางานในวันต่อไปคะ่ะจะทํำอะไรให้อยากนอนเจ้าค่ะเหมือนนั่งสมาธิแล้วจิตเขาตื่นตลอดทําให้ไม่ง่วงแต่ว่าอยากพักผ่อนเพราะว่าต้องไปทำงานพรามันคิดมันไม่หยุดคิดตอาหยุดความคิดแล้วต้องพุโทโธพุโทโธไปเดีย๋ดยก็เวลาจะนอนก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้คิดแล้วมันเรื่องมันจะทําให้นอนนอนไม่หลับ ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอไม่มีเรื่องปับมันก็จะหลับเองเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะแต่เวลานอนไม่หลับนี่อยากไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่นอนไปแล้วก็ทําแก้งไปว่านอนสมาที่ไปกัแล้วกันพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หลับเองเพราะคนส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธินี่มักจะหลับง่ายใช่ไหมยิ่งจริ ง, รงถ้านอนสมาธิยิ่งง่ายใหญ่ไหม แต่อย่าไปอยากหลับทนเองถ้าอยากหลับแล้วมันจะไม่หลับพันธิ I have a follow up question Do you think that with the practice of meditation it can be enough to heal the body for people who have like a, who have certain kinds of illnesses or do you think it's worth it if we can do a small surgery or some kind of treatment that can help or is that being too attached to the body or yes You cannot use meditation to heal the body. You cannot use meditation to heal the body unless the sickness is caused by the mind. Then, if you can calm the mind down, then the sickness might disappear. But if it's not caused by the mind, then you cannot use meditation to to heal the sickness. If it's because of virus, meditation cannot make it, the virus go away. But if the sickness is due to restlessness and agitation or stress, and once you calm your mind down, then the sickness can can disappear. So it depends on what type of sickness. If they are psychosomatic, causing by the mind, then you can use meditation to cure it. But if it's caused by virus or germs, you cannot fix it with meditation. I see many people, including my father, who have like a illness that is um, by the genes or like some form of cancer. And he tried many, many types of of treatments and so on. But I see that maybe he suffers more, or many people suffer more from just trying so hard to find a cure. And so my question is also sometimes: Is it better to just accept, and rather than making our minds suffer more, if there is no choice? That's right. Accepting the truth. Can ease the mind from stress and suffering, and it might also help the body partially that the, that is caused by the stress of the mind. But eventually, everybody has to die. Even the Buddha had to die. So you cannot rely on meditation to to solve your sickness problem. The meditation is more for the sickness of the mind. Once you meditate, your mind that has been stress stressful will become calm and peaceful instead. Thank you. w o t h e e u s t s y o u come c o Can you come in here? You come in here. c o m Come o n e Come c o m r Come h o n e r Come h o Come o o r m c r o h o e r ได้ยินทั่วกันขอ proceduer ละสังโยติสิบได้ไหมครับขออะไรนะ p r o c e d u e proceduer แปลว่าอะไร instruction ครับ instruction เามันยาวอ่ะต้องขออภัยเนืวันนี้มันจะตอบได้แต่คนสั้นๆเราไปเปิดดูในต้องใช้ปัญญาต้องใช้ใจรักเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะละสังโยติสามข้อแรกได้ แล้วก็ใช้อสุภะไปละการมลาคะความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนเห็นร่างกายว่าโสกปกไม่สวยงามแล้วก็ไปละสังโ อ, อีกิฆาคอด้วยการใช้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มีในจิตว่าเป็นใจลักหมดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาต้องใช้ไตลักอริยสัจสี่ในการละสังโยชน์ทั้งหมด ยังีกไกลอยู่ตอนนี้เอาแค่ละนิวรให้ได้ก่อนนิวรก็คือความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ละด้วยการถือศีลแปดไปก่อนอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสล้วจะช่วยทำให้นั่งสมาธิ จ, จิตใจจะได้สงบง่ายนิวร น, นี้เอาไว้รอให้ได้สมาธิได้ฌานก่อนแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องนิวรต่อไปนะศึกษาไปทางนี้ก็เอาเอาไปทาประโยชน์อะไรไม่ได้ เราทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปโอเคนะอคขอยอีกหนึ่งคำถามเชอะค่ะเขาถามเข้ามาว่าทําอย่างไรไม่ให้กลัวผีคะพระอาจารย์ก็ให้ท่องว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีหลอก ผ, ผีหลอกเราก็คือใจเราไปคิดถึงมันเองมันมาหลอกเรา สันผีจริงคนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีเวลามาหลอกเราแล้วเขาต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาต่อไปงั้นผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่ใช่เป็นของจริงผีหเราเป็นสิ่งที่เราปลูกสร้างขึ้นมาในใจของเราเองอยู่คนเดียวเงียบๆพอได้ยินเสียงมาแล้วผีมาแนละ้วพอเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยผีมาแนละ้วมันเป็นอุปทานความคิดปรุงแต่งของใจวิธีจะหยุดความหยุดความกลัวผีก็ให้ใช้พุโทโธพุโทโธ เวลากลัวขึ้นมาป้าก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปให้คิดถึงผีเอาอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปสช่ค่ะจากทางยูทูบใช่ค่ะพระอาจารย์นะครับถ้าผมแค่จุดทูตบอธิษฐานจิตให้ญาติพี่น้องมิสหายที่จากไปสิ่งหรือเทวดาพวกเขาจะได้ยินใหม่หรือรู้สึกไหมครับถ้าเขารอฟังอยู่ก็ได้ยินถ้าเขาไม่ได้รอฟังอยู่ก็ไม่ได้ยิน มันถ้าเขารอรับสายอยู่พอเราโทรไปปั๊บเขาก็จะรับสายได้ทันทีแต่ถ้าเขาไม่ได้รับสายเขาไม่ได้เปิดเครื่องเราโทรไปเขาก็ไม่ได้ยินไม่ได้สายอยู่ที่เขาว่าเขาอยากจะฟังเราหรือเปล่าขณะอยู่ด้วยกันเขายังเบื่อเลยแล้วก็ตายไปเขาจะกบมาฟังเราธรรมหมดแล้วจ้ะค่ะธรมหมดแล้วก็พอสมควรกาลเวลาสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่ง <laughs> ที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ